Thank mm -hmm. you. ที่เราได้สวดอริยศรัพย์ก็ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นตรงหรือความเห็นธรรมความเห็นตรงนี้บางทีก็เรียกว่าสัมมติทิฏบางทีก็เรียกว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมหมายความว่าอย่างไงบ้างความเห็นตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่อหรือความเข้าใจในเรื่องกรรม การเชื่อกรรมนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธหรือว่าเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของชาวพุทธทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งพระสงฆ์นี่ก็เช่นเดียวกันธรรมธิบัดีประชิดควรพิจารณา1นึนสิอย่างนี่ข้อหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าเรามีกรรมเี็ของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วแต่ว่าเรื่องกรรมนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนตั้งข้อสงสัยเยอะ เขาตั้งข้อสงสัยว่ายังไงเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคน ด, ดีถึงตายเร็วแต่คนชั่วจานวนมากถึงอายุยืยนทำไมคนที่ทำความดีซ้ำสร้างกุศลถึงยากจนแต่ว่าคนโกงกินบ้านเมืองมันถึงร่ำรวยกันนักก็จะมีคำถามคำานองนี้มัอยู่เรื่อยๆทำไมคนดีถึงถูกฆ่าตายแต่ว่าคนชั่ว กับ่อยนวลพอตั้งคําถามขึ้นมาก็เลยมีข้อสงสัยไว้เรื่องจริงกฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าบางเขาก็ถามต่อไปว่ากฎแห่งกรรมถ้ามีจริงมันมันเป็นธรรมไหมยุติธรรมหรือเปล่าและถ้าไม่ยุติธรรมนี่จะมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมตามความเข้าใจคนทั่วไปคือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว พูดสรุปอย่างสั้นๆก็อย่างนั้นซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคํานี้ก็มีอยู่มาอยู่ในพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่แล้วบางทีเราก็สวดกันในเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำนี้ข้อความนี้ไม่ได้มาโดดๆทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่มันมีข้อความก่อนนั้นนั้นซึ่งน่าพิจารณาก็คือท่านบอกว่าหว่านพืชอย่างใดก็ได้ผลเช่นนั้น ปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงเพราะฉะนั้นทําดีก็ได้ดี <_ atheist> ทําชั่วก็ได้ชั่วถ้าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่มันไม่ได้แปลว่าทําดีแล้วต้องรวยหรือว่าทําชั่วแล้วต้องจนหรือทําดีแล้วต้องอายุยืนทําชั่วแล้วถึงอายุสั้นความหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าความหมายเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าก็เท่ากับว่าปลูกมะม่วงแล้วต้องมีรายได้ดีถ้าปลูกมะขามแล้วก็อาจจะ ยากจนเขาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นอย่าลองพิจารณาดูปลูกมะม่วงแล้วจะมีะไรายได้ดีหรือไม่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าออราคาของมะม่วงในตลาดสูงหรือต่าพ่อค้าคนกลางก็มากดราคาไหมราคาในตลาดสูงแต่พ่อค้าคนกลางมากดจากชาวสวนให้ต่าหรือว่า คนที่จะมาซื้อลูกค้าที่จะมาซื้อมะม่วงไม่รู้ว่าจะมาซื้ อ, อยังไงเพราะไม่มีถนนห น, นทางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปลูกมะม่วงจะได้มะม่วงมันก็ไม่ได้แปลว่าปลูกแล้วจะมีรายได้ดีการที่ราคาจะสูงหรือจะต่าการที่พ่อค้าคนกลางจะมากดราคาหรือไม่หรือว่าลูกค้าจะมาซื้อมะม่วงได้หรือเปล่าเดินทางมาสะดวกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของ เงื่อนไขเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัวเป็นสากลเราเรียกว่าพีชนิยามพรีชาก็คือชีวิตนั่นเองคือกฎเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการสืบพันธุ์กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรียกว่ากรรมนิยามก็คือเป็นกฎธรรมชาติการที่คนเราทําดีแล้ว จะรวยหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในสังคมมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างถ้าเขาขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีทําการค้าจะให้รวยก็รวยยากเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันทําความดีมีความซื่อสัตย์ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการรู้จักวิธีทําการค้าคาดการตลาดได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้มันเป็นความรู้ความสามารถในทางโลกมันไม่ใช่ เ, เรื่องกฎธรรมชาติบางทีเราสงสัยไว้ททำไมคนทำบุญไปทำบุญ9วัด7วัดเสร็จแล้วทำไมถึงประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องถามกันว่าทำบุญมาแต่ถ้าเกิดหลับในเนี่ยรถชนเสาไฟฟ้านี่จะโทษได้ไหมว่าเป็นเพราะทำดีแล้วไม่ได้ดีกลับจากกระถิ่นกลับจากท่าพระป่าก็ขณะนั่งรถกลับมาก็ วางแผนว่าจะทำบุญที่ไหนต่อใจนี่คิดไปเรื่องการจัดงานทอดกถินที่โน้นที่นี่เพลินก็เพลินรถหรือเด็กวิ่งตัดหน้าเบรกไม่ทัน้วก็ชนตายขึ้นมาเรจะบอกได้ไหมว่าโอ้นี่อุตสาห์ทำบุญมานะแต่ทำไมถึงประสบอุบัติเหตุตาย การที่คนเราจะขับรถปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าทําบุญหรือไม่ได้ทำบุญแต่มันอยู่ที่ว่าขับยังมีสติหรือเปล่าด้วยแล้วมันขึ้นอยว่อีกฝ่ายหนึง่งด้วยว่าขับยังมีสติไหมถ้าอีกฝ่ายหนึง่งขับรถด้วยความเมาไมยหรือว่าถนนไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถึงแม้จะไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกเลยไม่ต้องพูดเรื่องสภาพถนนไม่ต้องพูดเรื่องว่าคนที่ขับรถเป็นยังไง แต่เจ้าตัวน่าจะทําความดีมานะไปทําบุญมาแต่ถ้ามีไม่มีสติขาดความระมัดระวังหรือว่าใจกําลังฟุ้งซ่านมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละเจอคนขับรถแบบนี้หลวงพ่อคูณก็เอาไม่อยู่นะหลวงพ่อคูณเคยมีเรื่องราววันโชเฟอร์ขับรถเร็วมากเลยคนในรถนี้ก็มีลูกห้อยห้อยลูกหลวงพ่อคูณด้วยแต่พอหลวงพ่อคูณเจอรถคนขับรถวิ่งแบบนี้ท่านบอก พอพอหยุดหยุดยุดกูจะลงแล้วกูไม่ให้อยู่แล้วนะหลวงพ่อคุณก็เอาไม่ไหวเหมือนกันเจอแบบนี้ถึงแม่ถึงแม่มคนขับรถนั้นจะเป็นคนนี่โอ้ยแม่เป็นคนวัดคนวาเข้าถือศีล น, นะศรัทธาในพระธรรมแต่ว่าถ้าขับรถอย่างนี้โอกาสที่จะอันตรายมันก็มีหรืออย่างคนที่ซื่อสัตว์สุจริตแต่ว่าชอบกินอาหารที่มีไขมันไม่ออกกําลังกาย แล้วก็เครียดกับที่ทํางานเสร็จแล้วเส้นละเอดในสมองแตกเป็นอัมภาตอายุยังแค่ไม่ถึง50าสิบตอนสมเป็นอมัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เราจะบอกว่าโอ้ยี่เป็นเพราะว่าทําไมคนดีทําไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้การที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเป็นแค่ว่าซื่อสะอาดสุดจิตอย่างเดียวมันก็ต้องรู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องออกกําลังกาย นหาให้ถูกสุขลักษณะด้วยมันเป็นคนละส่วนกันเราะนั้นทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเนี่ยมันหมายความว่าทําดีก็ต้องทํำดีอย่างถูกต้องด้วยทํำดีอย่างถูกต้องถูกกรณีจะไปเหมาว่าเมื่อทําความดีมีความซื่อสัตย์จุดจริตทําบุญแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นมันไม่ใช่แต่เวลานี้เราเวลาเรามองกฎแห่งกรรมเนี่ยเราเราก็มองเหมารวมว่า ทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องมีอายุยืนอันนั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ตายเอปลูกข้าวแล้วต้องรวยปลูกมะม่วงต้องรวยนะถ้าปลูกอย่างอื่นพราจนปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนี่กฎธรรมชาติเขาว่าไว้เท่านี้ทำดีก็ได้ดีกฎธรรมชาติว่าเท่านี้ไม่ได้แปงต่อไปว่าทำดีแล้วต้องรวยเหมือนกับว่ารวยกับดีเ ป, เป็นเรื่องเดียวกันมันไม่เกี่ยวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะ รู้ว่าเออกฎแห่งกรรมนี่เขามันมีความหมายที่มันไม่ได้ครอบคลุมกว้างขวางอย่างที่เราเข้าใจและโดยเฉพาะเวลาพูดถึงว่ากฎแห่งกรรมเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือปรเปล่านี่คําว่าเป็นธรรมหรือยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เรานิยามันขึ้นมามันไม่มีความแน่นอนว่าความเป็นธรรมคืออะไรอย่างคนมักจะพูดว่าเนี่ยเวลาได ของน้อยกว่าเขาเช่นเวลาแจกของเนี่ยได้น้อยกว่าเขาเอาพราะผมไปแจกชาวบ้านได้น้อยกว่าเขาฉันได้ผืนเดียวคนอื่นได้สองผืนหรือว่าฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าฉันได้โบนัสน้อยกว่าคนก็มักจะพูดวันเนี่ยฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เวลาตัวเองได้มากกว่าคนอื่นน่ยได้พระผมสองผืนแต่คนอื่นได้ผืนเดียวหรือว่าได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นได้โบนัสมากกว่าคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครบวยวายหรือว่า มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับฉันแล้ความไม่เป็นธรรมนี่มันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมนะแต่หมายความว่าฉันได้น้อยกว่าคนอื่นเวลาเขาบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยสมมุติไปก่อนว่าเนี่ยเขาได้น้อยกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นนี่เขาจะไม่บอกว่าก็ไม่ได้ความเป็นธรรมนะเขาจะลืมไปเลยคนที่ติดคุกนย่างไรคุณบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมไอ้โทษที่ทําให้ฉันติดคุกนี่ฉันไม่ได้ทําเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่า ไอ้โทษที่เขาทําหรือว่าความผิดที่เขาทําแต่ว่าไม่ไม่ทำให้ติดคุกเนี่ยมันมีหรือเปล่าอาจารย์พรหมท่านเคยเล่าอาจารย์พรหมวงังโสไปเทศให้นักโทษในประเทศอสอสเตรเลียก็ไปสอนสมาธิก็มีคนนึงนี่ก็มานั่งสมาธิเป็นประจำํำแต่แล้ววันหนึ่งก็ขอคุยกับอาจารย์พรหมก็มบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไอ้โทษที่ผมติดเนี่นะผมไม่ได้ทําเลยนะ ผมไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวหาเลยจยนได้ฟังก็จันก็นึกในใจมาอีกแล้วนะแบบนี้ประจำเลยเพื่อว่ามาพูดว่าไอ้โทษที่ผมติดนี่ผมไม่ได้ทำนะแต่คนนี้ก็พูดต่อไปว่าแต่ว่าไอ้ความผิดที่ผมทำเนี่ยหลายคดีเขาก็จับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันนะก็คือว่าทาความชั่วแล้วไม่ถูกจับแต่ว่า ที่ไม่ได้ทํายี่กับถูกจับแล้วก็ถูกลงโทษ mm. ก็<ๆ>ก็ว่า<ๆ>มันก็ยุติธรรมดีแต่คนที่คิดแบบนี้มีน้อยนะส่วนใหญ่ก็มักจะมองแต่ว่าไอ้ที่ฉันถูกลงโทษนี่ฉันไม่ได้ทําเลยนะแต่ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งเสมอนคนที่เวลาได้น้อยกว่าคนอื่นก็โวยว่าไม่ได้ความเป็นธรรมแต่พอได้มากกว่าคนอื่นก็เงียบลืมไปเลยความเป็นธรรมปัจจุบันเป็นอย่างนี้คือมันมีเรื่องของกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพอจะอามาพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินี่มันพิจารณาได้ยากรากฎแห่งกรรมหรือกรรมปิยามีนเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์เขาเรียกว่าสัจธรรมธรรมในพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือสัจธรรมก็คือความจริงความจริงหรือกฎธรรมชาติที่มันก็มีอยู่อย่างนั้นจะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนั้นอีกอันนึงคือจริยธรรมจริยธรรมก็คือการเอากฎ ธรรมชาติหรือศัจธรรมนั้นมามาจัดวางให้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นกฎแห่งกรรมนั้นมันมีจริงเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทำให้จิตใจนี้ได้รับการพัฒนาหรือมีความสุขกฎแหงกรรมเป็นศัจธรรมแต่ว่าเรื่องการทาความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าการมีศีลมีธรรม หือสี่หเนี่ยอันนี้เรียกว่าจริยธรรมคือข้อปฏิบัติที่วางอยู่บนกฎธรรมชาติการมานั่งทําสมาธิภาวนาเจริญสติปัฏฐานอันนี้ก็ถือเป็นจริยธรรมนะเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นถ้ามันมีตัณหาอุปาทานมันก็ต้องเกิดภพชาติมันต้องเกิด ความโศกความลําไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้ก็อาศัยหลักหรือกฎปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพื้นฐานให้เกิดหลักสติปัฏฐานขึ้นมาฉั้นจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งต้องมาวางมาวางเป็นกฎเกณฑ์มาวางเป็นแบบแผนนะขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้าไอความเป็นธรรมเนี่ยหรือความผิดธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเรื่องของจริยธรรม จึงต้องทําให้เกิดมีขึ้นความเป็นธรรมมัไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่ว่าเราก็อาศัยกฎธรรมชาตินั้นมาช่วยวางจัดวางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมหรือเกิดความเป็นธรรมในการดําเนินชีวิตได้แต่จะมาบอกว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่า้ความเป็นธรรมของมนุษย์นี่มันไม่แน่ไม่นอนคนนึงว่าเป็นธรรมอีกคนนึงบอกไม่เป็นธรรม อย่างเนี่ยเรามมต์เรากฎธรรมชาติข้อหนึ่งคือกฎว่าโรคระบาดเกิดจากการมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกฎนี้ก็ไปเข้าใจว่าโรคระบาดเช่นหาดอะฮิวาเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับเกิดจากสภาพอากาศนะร้อนหนาวชื้นนะแต่ว่ามนุษย์เราเมื่อพัฒนาความรู้มากขึ้นก็พบว่าโรคระบาดมันเกิดจากเชื้อโรค เชื้อโรคคือพวกแบคทีเรียพวกไวรัสเป็นต้นนะโรคระบาดนะกฎนี้ก็บอกว่าถ้าใครได้รับเชื้อนี้แล้วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยก็คือว่าก็จะเจ็บป่วยหรือตายถ้าไม่ได้รับเชื้อนี้ก็ไม่มีปัญหาจะทําดีหรือไม่ทําดีก็ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดต้องได้รับเชื้อก่อนแต่ครนี้เราก็พบอย่างเช่นโรคม า, าลาเรียโรคปอดบวมเนี่ยใครที่ได้รับเชื้อนี้ก็ตายหรือป่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมีไม่ว่าจะเป็น คนขาวคนดําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กมอญในแง่นี้กฎนี้มันก็เป็นธรรมนะคือเสมอหน้ากันหมดแต่ว่าเราสังเกตดูคนที่เป็นมาลาเรียแล้วก็ตายเนี่ยมันเป็นใครก็อาจจะเป็นคนในประเทศที่ยากจนอาจจะเป็นเด็กๆแถวชายแดนพม่าแถวชายแดนเขมรเป็นมาลาเรียมางทิพลาก็เป็นและตายก็มีแต่พวกนักการเมืองโกงกินมันไม่มีใครเป็นมาลาเรียตายสักคน แต่ทั้งที่ถ้าตรวจเลือดก็จะมีเชือ้อเรื อ, อยงปอดบวมเนี่ยนะัถ้าตรวจเลือดก็มีเชื้อกันทั้งนั้นปอดบวมรั่วบนโลกแต่ทําไมาบางคนตายบางคนไม่ตายแล้วคนที่ตายส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนแต่พวกคนรวยมันตายเลยเพราะฉะนั้นจะแสดงว่ากฎนี้มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันแล้วมันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมในสายตายของเรากฎนี้มันก็ยังต้องทํางานอยู่ต่อไป เพราะนแทนที่จะโมโวยวายว่ากดนี้ไม่ยุตทธรรมไมิธรรมอันนี้ไม่ประโยชน์ต้องมาช่วยกันป้องกันไม่ให้โลกนี้มานระบาดต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเกิดยุงลายขึ้นมาหรือว่าต้องมาช่วยกันพัฒนายาเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียหรือรักษาโรคมาลาเรียแล้วมันต้องมาต้องมาทํากันตรงนี้เวลานี้เราไปยุคปัจจุบันนี้เราไปพูดเรื่องความเป็นธรรมซะเยอะไม่เป็นธรรมเลยที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเราไม่ได้มองว่านีแล้วเราควรจะทําอะไรบางทีพอเราพูดไม่ไม่เป็นธรรมเราก็เลยไปโทษ น, นูนโทษนี้แล้วเลยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยที่ควรจะทําำการกดแหงกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอเราไปเรียกร้องเอาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมแล้วก็มาพบว่ากฎแห่งกรรมนี่มันไม่เป็นธรรมนะเราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าถ้าเราตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เราก็จะตั้งข้อสงสัยว่าแล้ว ว่าดยโลกระบาดนี้มีจริงหรือเปล่านะถ้าเราไม่เชื่อนี่คนที่เดือดร้อนคือใครคนที่เดือดร้อนคือคนที่ไม่เชื่อนั่นแหละพอถ้าไม่เชื่อแล้วเออก็ไม่สนใจที่จะรักษาตัวปล่อยให้เชื้อโรคมันเข้ามาแล้วถึงเวลาก็ตายเองนะถึงแม้ว่าจะบอกว่ากฎแห่งเชื้อโรคระบาดนี่มาไม่เป็นธรรมแต่ตัวเองก็อาจจะได้รับผลเดือดร้อนจากเชื้อโรคตอนนี้ก็เรื่องกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะมันเป็นกฎธรรมชาตินะที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของเรา แต่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมก็เลยตีความคาดหวังจากกฎแห่งกรรมมากเกินไปจริงอันนี้ก็เป็นเป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธด้วยคือชาวพุทธเนี่ยเวลาเกิดอะไรก็โทษกรรมหมดเอไออะไรก็โทษกรรมหมดเช่นเวลาเจ็บป่วยก็โทษกรรมแล้วบางทีบางทีมันไม่เกี่ยวเรื่องกรรมหรอกบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปทางชีววิทยา กฎในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีนอกจากกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามแล้วมันยังมีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผีชนิยามอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็อุตุนิยามอุตุนิยามคือกดเกี่ยวกับอากาศซึ่ง อ, อะไรจะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้เพราะกฎแห่งกรรมหรือเพราะการกระทั่มยัไม่ได้เช่นเวลาเหงื่อออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือเป็นเพราะว่าใจเนี่ยตื่นกลัวถ้าใจกลัวเนี่ยมันก็เหงื่อออกได้นะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมนิยามหรือจิตตนิยามคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําใจที่คิดปรุงแต่งไปก็ทําให้เงือออกด้วยความกลัวแต่ว่าถึงแม้บางคนก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แต่ไหลแต่ว่ามันก็เหงือออกเองเพราะอันนี้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมคืออากาศอันนี้เป็นเรื่องอุตุนิยามใั้คนที่ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเพราะว่าทํากรรมไม่ดีถึงป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆมันอาจจะเกิดจาก การได้รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกมากเกินไปนานๆยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เขาบอกว่าทูบเนี่ยทูบที่จุดเนี่ยมันมีสายก่อบมะเร็งเยอะมากจุดทูบสามดอกนี้เท่ากับได้รับมลพิษเนี่ยพอๆกับอยู่ที่สีแยกที่มีการจราจรขับขั่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะทําดีแต่ว่าดมทูบทุกวันทุกวันทุกวันว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการกทําไม่เกี่ยวกับกรรมละ แต่มันเป็นเรื่องของพีชนิยามแล้กอุตุนิยามคนเรามักจะไปมองเ ป, เ, ปเหมารวมว่าโอ้ที่เป็นนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นป่วยเนี่ยเพราะว่าคงทํากรรมไม่ดีในชาติก่อนหรือเปล่านะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากคือกา ร, รมวิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ปุถุชนคนธรรมดาเพราะมันเป็นอจินไตมันก็เมื่อการเป็นมะเร็งพราะสูุบรีเป็นมะเร็งปอดเนี่ย ทุวันนี้เราก็พบ ว, ว่ามะเร็รงปอดกับการสูบบุหรี่นี่มันสัมพันธ์กันมากแต่แตทําไมคนบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดและบางคนสูบบุหรี่แต่ทำไมไม่เป็นมะเร็งปอด 80-80 ก็กลับไปตายเพราะโรคอื่นอันนี้ไม่แปลวความว่ามะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่มไม่เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันแน่แต่ว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอ America. ื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นบางคนบางคนสูบบุหรี่มากแต่ไม่เป็นมะเร็งปอดเพราะอาจจะมียีนบางอย่าง นะที่มันช่วยป้องกันเอาไว้แต่บางคนอาจจะไม่สูบบุหรี่แต่ว่าไปไปดมทูบมากไปทํางานในที่ที่มีทูบเยอะจุดทูบเยอะเป็นมะเร็งปอดอ่ะอันนี้เราก็เิยมีความรู้ละมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสูบบุหรี่ทุกคนถึงจะเป็นแต่ว่าโอกาสที่สูบบุหรี่แล้วจะเป็นเนี่ยมันมีสูงมากแต่ว่าความรู้ของเรายังไม่พอที่จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งปอดนี้เพราะอะไรอย่างแน่นอนที่รู้แน่ๆคือสูบบุหรี่นี้ มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แน่นอนกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรามีความรู้น้อยเราก็บอกไม่ได้ว่าทําไมคนบางคนทําดีแต่ต้องมาตายเพราะสึนามิในแง่หนึ่งอาจจะมีส่วน เ, เป็นเพราะไปเที่ยวช่วงนั้นพอดีแต่คําถามก็คือว่าแล้วทาไมคนบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในสถานที่นั้นแต่กลับรอดอันนี้มันเป็นเรื่องกรรมวิสัยที่เราไม่สามารถจะพูดให้ตายตัวลงไปได้ มันอยู่นอกเหนือความรู้ของมนุษย์เพราะความรู้ของมนุษย์ปุตตชนนั้นจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อแน่ก็คือว่าเมื่อทําดีก็ได้ดีเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าเราอย่ายไปคิดว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดอย่างนั้นและยิ่งไปคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมไหนดีด้วยนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่พระุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยวิชาทิฐิหรือว่า ความเชื่อนองพุทธศาสนาเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าทุกอย่างสุขทุกเนี่ยเกิดจากกรรมแนวดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือสุขทุกขที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากกรรมแนวดีอันนี้เป็นความเชื่อนองพุทธศาสนาอีกอันหนึ่งกคือเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าหรืออันหนึ่งอันที่3ก็คือความเชื่อว่าที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสุขทุกเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเลย ทั้งสความเชื่อเนี่ยเป็นกันมากเชื่อกันมากนีในหมู่คนทั่วไปในเวลานี้คนสมัยใหม่ก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยมันเป็นความบังเอิญแท้ๆโกดังการไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงประเภทนี่งก็เชื่อเนี่ยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นเลยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นนะอีประเภทหนึ่งก็บอกเนี่เป็นเพราะกรรมในอดีตอดีตชาติไม่รู้ทําอะไรไว้แต่ที่รู้นี่คือต้องทําแน่นอนถึงทําให้ตอนนี้มาป่วยหรือทําให้ตอนนี้ ร่ลำรวยมีชื่อเสียงอันนี้เป็นการมองข้ามกรรมในปัจจุบันไปมองข้ามการกระทำในปัจจุบันไปว่าเขาทําอะไรบ้างที่เขาร่ํารวยได้เนี่ยถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าสังคมในเวลานั้นมันยกย่องคนมีเงินนะไม่ยกย่องคนทําความดีอย่างปัจจุบันเนี่ยถามใครๆถามเด็กๆถามคนทั่วไปก็บอกว่าส่วนใหญ่ว่าโกงไม่เป็นไรแต่อขอให้ทํางานขอให้เก่งก็ได้ในสังคมแบบนี้เนี่ยคนดีนี่ก็อาจจะ จะเจริญช้านะแต่ว่าคนไม่ดีคือคนโกงแต่ว่าฉลาดฉลาดเพราะอ่าจเจรยนสูงหรือเพราะว่ามีเครือข่ายเยอะมีเส้นเยอะนะก็สามารถที่จะร่ำรวยได้อันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทางสังคมนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติเลย